ทีนี้เมื่อกษัตริย์ทั้งสองน่นนะคือพระเวสสันดรและพระนามัตสีตรัสสัมโมทนียกถาต่อกันและกันคือตัดก็พูดทั้งสองฝ่ายให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรื่นเริงอนุมโมทนามุทิตาต่อกันและกันท้าวส ก, กะก็เลยคิดว่า <c oughs> เมื่อวานนี้พร ะ, พระเวสสันดรมหาราชได้ประทานติยะบุตรแก่ชูชกพราหม น, นะเมื่อวานก็ให้ลูกสุธิรักษ์แกชูชกไปแล้วแผ่นดินก็ไหวบัดนี้ถ้ามีคนต่ําช้าผู้หนึ่ง จะไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งปวงมีศีลาจริยวัตรสมบูรณ์จะพานางมัตสีไปทำให้เท้าเธออยู่คนเดียวดีไม่ดีนะคนจะไปขอเมียอย่างนั้นเนี่ยว่างั้นแต่นั้นเท้าเธอก็จะเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติยากกันนั้นเลยเราจะจำแรงเพศเป็นพรามเข้าไปเฝ้าเท้าเธอทูลขอพระมัสีให้ถือเอาทานอ น, นั้นเป็นยอดแห่งทานบารมี คือให้พระเวสสันดรได้ให้พระนางมัสยีอครั้งหนึ่งก็เป็นอันจบกันนะนะคือคือภารกิจก็จะได้จบสักทีหนึ่งว่า ง, งั้นเถอะกิจในการบําเพ็ญเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะจบลงตรนนี้คือเมื่อตอนที่ให้ให้บทให้ภริยาเป็นต้นเป็นทานถ้าให้เสร็จก็ที่เหลือก็รอที่จ ะ, รจะตรัสรู้อย่างเดียวสําคัญว่าให้ทํากิจอันนี้ให้เสร็จเนี่ยนะก็คือหมายว่ามันเป็นการสอบวิชาสุดท้ายถ้าวิชานิ้ผ่านก็เป็นอันว่ารอรับประกาศนียบัตรได้เลยเนี่ยนะทีนี้ก็ พรามนี้ก็จำแรงเข้าไปเฝ้าเท้า เ, าเธอทูลขอมัตซีอันนะคือให้ให้ถือเอาทานนั้นเป็นยอดบารมีก็ทำให้เป็นเป็นของไม่ควรสละแก่ใครๆคือถ้าได้ให้แล้วหลังจากนี้ก็ไม่ไม่ได้บริไม่ต้องสละอะไรละแล้วก็ถวายพระนางเจ้านั้นคืนแก่เท้าเธออีกแล้วก็กลับไปยังเทวสถานลำดับนั้นเมื่อราตรีสิ้นแล้วดวงอาทิตย์อุทัยมาแล้วเท้าสหัสนายจาแรงเพศเป็นพรามได้ปรากฏแก่สองกริย์แต่เช้าเลยนะ เอาพึ่งให้ไปเมื่อวานหยกหยกมาอีกแล้วเจ้าหนึ่งเนี่ยนะนะเสียใจเป็นแย่เลยนะเอาพึ่งให้ไปเมื่อวานวันนี้มาอีกแล้วเหรอเนี่ยนะทีนี้พอประทับยืนอย่างนั้นแล้วก็ปฏิสันฐานว่าเนี่ยนะพราหมณ์ก็บอกพระองค์ไม่มีพระโรคาพาดกำมังพระองค์ไม่มีความผาสุขสําราญดีกำมังพระองค์ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสอดแสวงหาพลาหารสะดวกกำมังมูลพลาหารมีมากกำมังเหลือบยุงและสัตว์เลือล้อคลัน ทีจะมีน้อยกับมังความเบียดเบียนให้ลำบากในวานะประเทศที่เกลื่อนไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีกังมังไปถึงก็ไปทักทายนะว่าอยู่ป่ากกันยังไงไม่เดือร้อนผาสุขดีหรือพระโพธิสัตว์ก็ปฏิสันฐานตอบว่าดูก่อนพราหมณ์เราทั้งหลายไม่มีอาพาสุขสํำราญดียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสอดแสวงหาผลไม้สะดวกดีและผลผลก็มีมากอันนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลือ้อยคลานก็มีบ้างแต่เล็กน้อย ความเบียดเบียนให้ลำบากในวนณประเทศที่เกลื่อนไปด้วยเนื้อร้ายก็ไม่ค่อยมีแก่เราเมื่อพวกเรามาอยู่ป่ามีชีวิตเตรียมตรมอยู่เจ็ดเดือนเราเพิ่งเห็นพราหมณ์ผู้มีเพศเหมือนดังเพศเทพถือไม้เท้ามีสีเหมือนผลมะตูมทรงหนังเสือเหลืองเป็นเครื่องปกปิดกายแม้นี้เป็นครั้งที่สองเมื่อนะวานก็เพิ่งเห็นเจ้าหนึ่งเจ้าท่านนี่แหละเป็นคนที่สองดูก่อนมาหาพราหมณ์ท่านมาดีแลว้ว และมาไกลก็เหมือนกับมาใกล้เชิญเข้าไปข้างในขอให้ท่านเจริญเถิดชำระเท้าทั้งสองของท่านเสียเนี่ยนะล้างเท้านะถามว่าทําไมต้องล้างเทา้าคือถ้าคนเดินมามากๆควรจะล้างเทา้ามันจะเย็นมันจะได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หงุดหงิดไม่ร้อนเนี่ยนะถ้าล้างเท้าแล้วนั่งนะถ้าไม่ล้างเท้าแล้วนั่งนะมันจะร้อนมากถ้าล้างเท้าเสร็จแล้วนั่งนะมันจะเย็นเพราะฉะนั้นให้ล้างเท้าซะจะได้นั่งสบายอย่างั้นดูก่อนพรามผลมาพลับผลมหาดผลมาสร้างและ ผลหมากเมาเป็นผลไม้มีรสหวานป่านน้ำพึ่งเชิญท่านเลือกบริโภคแต่ที่ดีๆเถิด ด, ดูก่อนพราหมน้ําดื่มเย็นนํามาแต่ซอกเขาเชิญท่านดื่มน้ําถ้าท่านปราถนาจะดื่มนะท้าวถ้ากระหายก็เอาดื่มน้ําหน่อยนะยนนทีนี้พระโพธิสัตว์ก็เลยถามธุระที่มาว่าก็ท่านมาถึงป่าใหญ่ด้วยเหตุการณ์ชะไหนเนาเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราอนเนี้ย ท้าวสกกาก็ทูลสนองว่าข้าแตมพระมหาราชเจ้าข้าพระองค์นี้เป็นคนแก่มาในที่นี้เพื่อจะทูลขอประทานพระนางมัตสีอัครมหาเสีของพระองค์ขอพระองค์นี้โปรดพระทานพระนางเจ้าแก่ข้าพระองค์เนี่ยนะแล้วก็กล่าวว่าห้วงน้ําซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลาไม่มีเวลาเหือดแห้งฉันใดพระองค์มีพระหฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาก็ฉันนั้น ข้าพระองค์มาเพื่อทูลขอพระมัสยิกับพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระมหสีแก่ข้าพระองค์พู้ทูลขอเถิดเหมือนกันเมื่อท้าวสกะเทวราชแปลงนี่นะทูลอย่างนี้พระโพธิสัตว์ไม่ได้ตรัสว่าท่านไม่ได้พูดเลยนะคานี้ว่าเมื่อวานนี้อาตมาก็ให้บุตรชายบุตรสาวแก่พรามณ์ไปแล้วอาตมาจะต้องอยู่ป่าแต่รูปเดียวเท่านั้นจกให้มัสยีกับท่านได้อย่างไรดังนี้มั้ยคำนี้ท่านไม่พูดแสดงว่าแม้แต่คิดก็ยังไม่มี เป็นเพียงผู้มีกําลังเนี่ยนะเหมือนกับผู้มีกําลังวางถุงกหาปะณะพันหนึ่งวางลงที่แขนที่เหยียดออกรับมีใจส ม, มนัตไม่ขัดข้องไม่หดหูเป็นราวกับว่าภูผาอ่นนะเป็นราวยังภูผาให้เบลือลั่นเหมือนสมมุตินะใครที่ ท, ที่ที่สมมุตนะิรับทรัพย์โดยธรรมเนี่ยนะเขายื่นมาให้ตั้งพันหนึ่งนะยื่นมือไปรับโดยมากก็จะดีใจใช่ไหมเขาบอกคําว่าที่พระโพธิสัตว์บอกฉันจะให้คำเนี่ยท่านมีความสุขมากที่จะได้ให้เหมือนกับคนจะรับทรัพย์อย่างนั้นแนหะ ก็เลยตรัสว่าดูก่อนพรามอาตมานี่จะให้สิ่งที่ท่านขอต่ออาตมาอาตมาไม่หวั่นไหวไม่ซ่อนสิ่งที่มีอยู่ใจของอาตมานี่ยินดีในท่านเพราะฉะนั้นท่านจะขออะไรก็ขอเถอะให้ได้หมดแหละวางนั้นยินดีที่จะให้ด้วยแล้วของที่จะให้ก็จะไม่ซ่อนเนยนะก็บอกไม่ซ่อนแม้อะไรก็บอกแม้แต่หัวใจถ้าจะขอก็จะผ่าให้วงนั้น ก็แหละคันตรัดอย่างนี้แล้วพระโพธิสัตว์ก็ทรงนําน้ํามาด้วยพระเต้าทันทีทีเดียวแล้วก็หลังลงในมือพราหม์พระราชทานปิยะบุตรทาราทานปิยะแปลว่าที่รักทาระแปลว่าพัญญาเนี่ยนะทานก็คือการให้นะก็คือการให้พัญญาสุดที่รักไปเพราะนั้นพรามแก่พราหม์มหาสจรรัจจมทั้งปวงก็มีแล้วในผล ห, หลังทีนี้ถ้าตั้งคําถามนะไ อ, อ้คนให้มันไม่น่าเท่าไหร่แล้วไอ้คนที่ถูกให้มันจะคิดยังไงนะอันนั้น ถ้าถ้าเราเป็นคนที่ถูกให้นะเอ๊ะเราจะคิดยังไงทําไมเขาให้เราเป็นทานเนี่ยนะสงสัยจะหนักใจเหมือนกันนะคนที่ถูกให้นะเอ๊คนให้ก็ว่าธรรมดานะแต่คนที่ถูกไงเอ๊ะยังไงกันแะน่เขาไม่รักเราหรื อ, อยังไงจึงให้เราเป็นทานเนี่ยนะภาษาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรผู้ยังแควน้นสีพีให้เจริญทรงจับพระกรขอ ง, ของพระนางมัตสีด้วยปหัดข้างหนึ่งอันนั้นก็จับมือนางมัตสีมาข้างหนึ่ง จับพระเต้าน้ําด้วยพระหัตอีกข้างหนึ่งหลัง อ, อุทกเนี่ยนะคือหลังน้ําลงในมือพราหมณ์ที่มาของการหยาดน้ําก็มาจากเรื่องเราเนี่ยนะสมัยก่อนก็จะทําอะไรที่เขาให้จริงๆเขาจะหยาดน้ําให้ได้พระราชทานพระนางมัตสีนั้นแก่พราหม์มหัศจรรย์อันน่าสยบสยองให้โลมาชาติได้ชูชันคือเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัตสีนั้นแก่พราหม์แผ่นดินก็ได้กัมปนาฏวันไว้ในการนั้นพระนางมัตสี มีได้ทําพระพักให้สยิวกลิ้วพระาศาสดาไม่ได้สีหน้าไม่ได้ผิดปกติอะไรนะสยิวก็อะไรหน้านิ้วคิ้วขมวดนะก็เริ่มนะหน้าหงิกหน้างอนนี้ไม่มีแม้แต่หน่อยเดียวเลยนะเป็นเมื่อพระเวสสันดรบริจาคทานอย่างนั้นนะแผ่นดินก็วะกัมปนาฏวันไหวเนี่ยนะพระนางมัตสีก็ไม่ได้ทําหน้า สยิวกลิ้วพระศาสดาคือสามีนี่ไม่ได้นึกโกรธแม้แต่หน่อยเดียวไม่แสดงอาการขวยเขินแล้วก็ไม่การแสงแปลว่าไม่ได้ร้องไห้อะไรเลยเมื่อพระภัสดาทอดพระเนตรพระนางเจ้าก็ดุสเดียภาพคือพระโพธิสัตว์ก็ดูหน้าอยู่เหมือนกันนะนางก็นิ่งพระภัสดาก็ทราบว่าพระอัธยาศัยอันประเสริฐของพระนางเจ้าพระเวสสันดรก็รู้โอ้โหใจนี้ของนางก็ประเสริฐเนี่ยมาก ซึ่งพระเวสสันดรโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญสัพพัญญุตยานเท่านั้นเป็นที่รักของอาตมายิ่งกว่าพนางมัสสีร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าขอทานนี้ของอาตมานี้จงเป็นปัจจัยให้บรรลุพระสัพพัญญุตยานดังนี้แล้วก็บริจักปิยะธาทานก็คือให้พัญญาที่รักเนี่ยเป็นทานไปคือไอรักก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่รักนะแต่ก็รักสัพพัญญุตยานมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า เอมีสัพพัญยุตยานจะเอาไปทําอะไรทําไมจึงอยากได้นักหนาเนียจึงก็ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อจะให้ได้สัพพัญยุตยานเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรทําไมต้องโหทุ่มเทขนาดนั้นดียังไงเนี่ยสัพพัญยุตยานนะทำไมต้องยอมทุกอย่างเลยนะอันนัก็นี่แหละสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่ดียังไง อ๋อไดตรัสรู้แล้วตรัสรู้ดียังไงจะได้พ้นจากวัตะวตะอา้าวถ้าพ้นส่วนตัวก็พ้นมาแล้วตั้งเสียสงไข่ที่แล้วถ้าจะพ้นส่วนตัวอย่างนั้นอ๋อถ้าถ้าจะได้บรรลุสัพพัญญูใช่ไหมต ร, รัสรู้สัพพัญญูนี้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ถ้าพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นได้ด้วยถ้าตรัสรู้แบบโดดโ ด, ดเดียวๆดี่ยวนี้ก็ตรัสรู้ไปนานแล้วถ้าจะเอาอยังงั้นแต่ที่นี้ว่าตรัสรู้แบบนั้นช่วยผู้อื่นไม่ได้ แต่ถ้าได้สัพพัญยุตยานเนี่ยนะก็จะได้เอามาทําอะไรก็บอกมาเทศแล้วก็เก็บเป็นพระไตรปิฎกนี่แหละแต่ว่าทุกครั้งที่เทพนะก็บรรลุเยอะแยะไปหมดแล้วนะแต่ที่ท่านเก็บไว้เป็นพระไตรปิฎกก็เพื่อจะสงเคราะห์เรารุ่นปลายๆแถวทั้งหลายแหลเนี่นะก็บอกว่าถ้าอายุร้อยปีนะั้นต่อกันยี่สิบห้าชั้นอ่ะนะเป็นอย่างน้อยรุ่นยี่สิบห้าชั้นอ่ะนะโอ้โหแล้วห่างกันร้อยปีนะ้นยี่สิบห้าชั้นเนี่ยนั่นก็นับว่าห่างมากก็คือถ้าเป็นผลงานให้เราเห็นเห็นเนี่ยนะ ผลของการบริจาคทานก็คือพระไตรปิฎกที่เราเห็นเห็นนี่แหละที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุนั้นที่พระองค์ตรัสไว้ในพระเจริยาปิฎกว่าเราตถาคตเมื่อสละชาลีโอรถกันหาชินาธิดาและมัสีเทวีผู้เคารพต่อพระสดามิได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระสัพพัญยุตยานเท่านั้นลูกทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้ พระมัซีเทวีเนี่ยนะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้คือไม่ได้รู้สึกชิงชังลูกแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยเมียก็ไม่ได้ว่ารังเกียจหน่อยเดียวก็ไม่มีแต่ว่าพระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้บุตรธีดาและเทวีผู้เป็นที่รักเป็นทานเนี่ยนะเขบอกว่าพระผู้ถึงใจที่พระองค์รักต่อสัพพัญยุตยานที่มีเพื่อประโยชน์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์นั้นเนี่ยนะ ถ้าเราระลึกถึงข้อความในธรรมะสโมโทัาแปเนี่ยนะธรรมะสมุทัยแปคือก่อนที่จะได้รับพุทธภรรย์เนี่ยจะต้องประชุมด้วยธรรมะสมุทัยแปประการเนี่ยนะเช่นความเป็นมนุษย์ต้องเป็นเพศชายต้องเป็นนักบวชได้คุณธรรมคือปิญญาห้าสมาบัตแ8แล้วก็จะต้องถวายสละชีวิตเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะเรียกว่าธรรมอธิการแล้วก็มีใจรักต่อโพธิญาณอย่างมั่นคงเนี่ยนะถ้าพูดถึงใจรัก ที่ท่านมีต่อโพธิญาณเนี่ยนะตอนนั้นฉันทาของท่านมีอยู่ว่าถ้าห่วงจักรวาล น, นี้ทั้งสิ้นจักรวาลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชน้ําบ่อน้อยเนีไม่ใช่จักระวาลทั้งหมดที่เต็มไปด้วยน้ําน้ําท่วมจักระวานแบบนั้นเถอะเขาบอกว่าผู้ใดไหว้ข้ามฝากโดยมือเปล่าทั้งสองามนะถ้าใครไหว้ข้ามฝากได้ถ้าใจเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นได้ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้ยานะนี่ข้อแรกนะอุปมาข้อสองก็บอกว่า ถ้าห่วงจักรวาล น, นี้ทั้งหมดที่มีแต่ฐานเพลิงนะไอ้ก้อนเหล็กแดงๆดงๆที่มันท่วมไม่มีเปลวอนะเป็นฐานล้วนๆใครเดินขาเปล่านะเดินข้ามได้หมายความว่าไม่ให้ตายหรอกแต่ให้ทรมานเห่างนั้นเถอะเดินเจ็บเดินปวดอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เดินให้ข้ามไม่ได้ถ้าใครบอกว่าชั้นนี่แหละจะเดินข้ามได้บอกถ้าใจเกินร้อยขนาดนั้นก็ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้นี น, นะคือสา ม, มารถที่จะบําเพ็ญบา ร, รมีได้หรืออีกในหนึ่งว่าอ ในห้วงจักรวาลเนี่ยนะมีป่าที่มันชัดไปด้วยน้าน้าน้าไผ่น้าอะไรที่มันยาวๆเนี่ยนะที่มันเต็มชาติในป่าไปหมดเลยนะแล้วทั้งจักรวาล น, นะใครเนี่ยมือปลาแล้วแหวกไปได้นะค้อมไปได้ก็ใจขนาดนั้นก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จบอกถ้าอุปมานั้นไม่เข้าใจนะเอางี้นะถ้าจมอยู่ในเวจีนะรกได้เสียสงขายแสนกลับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าใจรักขนาดนี้ได้จะเป็นจะบรรลุได้ พระโพธิสัตว์นะนะตอนนั้นน่ะท่านมีใจขนาดนั้นท่านท่านหวังปรารถนาสัพพัญญุตยานในชาตินั้นเนี่ยใจท่านขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเลยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าอย่างอื่นไม่ใช่ว่าท่านไม่รักท่านรังเกียจไม่ได้รังเกียจเหมือนอะไรถ้าพูดเหมือนทั่วๆไปนะตอนที่โยมใส่บาตตอนเช้าๆเนี่ยโยมรังเกียจข้าวน้ําหรือยังไงจึงให้ทานรังเกียจไหม ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรก็ก็ ก, ก็ก็ดีอะ่ะก็เป็นประโยชน์แหะแต่ว่าเห็นคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าการทําอันนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้รังเกียจสิ่งนั้นหรอ ก, ก น, นะก็เวลาที่เราทําบุญให้ทานบริจาคอะไรไปเนี่ย้รู้สึกว่าเรารังเกียจสิ่งที่ให้ไม่ใช่สิ่งที่เรารังเกียจถ้าสิ่งที่เรารังเกียจก็คือขยะนั่นเองนะช่วยเอาไปให้พ้นทีถ้าใครเอาไปจะจ่ายสตังค์ให้ด้วยนั่นคือพวกกลุ่มขยะแต่นี่ไม่ใช่เนีย่ยนะก็เป็นของดีที่เรารักเรายินดีมากๆเนี่ยนะซึ่ง เราเห็นประโยชน์ที่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นใช่ไหมมัตตสุขะปริจาคาก็คือสละสุขที่เล็กน้อยเพื่ออะไรเพื่อสุขอันัยบูร์เนี่ยนะแต่ถ้าไม่สละอย่างนี้นะสุขัยบูร์จะได้ไหมก็หมดสิทธิ์อยู่แล้วนะาะบานท่านก็ก็ยอมสละนะแต่ถามว่าการเสียสละแบบนี้นะท่านอุปมาว่าเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งเนี่ยนะที่มีความผิดต่อพระราชา แล้วก็คดีนี้ถูกจับแล้วประหารเนี่ยนะถูกจับแล้วก็ต้องเอาไปประหารทีนี้ถ้าเขาถูกประหารเนี่ยครอบครัวของเขาทั้งหมดจะต้องตายกันหมดเกลี้ยงเลยนะถ้าเขาตายคนที่เหลือจะต้องตายทั้งหมดเขาก็เลยเอาลูกเอาหลานเนี่ยมาขอเป็นตัวค้ำประกันไว้ก่อนเนี่ยนะมาค้ำประกันเสร็จแล้วเขาก็ไปทำมาหาอะไรก็ได้ที่ที่เบ็ดเสร็จแล้วก็มาถ่ายตัวพร้อมทั้งจะช่วยเหลือคนอื่นให้ได้รับความสุขหมด ถามว่าคนแบบนี้ดีไหมเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันการที่ท่านทําแบบนี้นะก็เหมือนกับว่าท่านเอาบุตรเอาภริยาของท่านเพื่อเป็นเป็นประกันในการทํากุศลนั้ น, น, นถ้าพูดแบบทางโลกสมัยนี้นะถ้าเป็นแบบโบราณหน่อยนะเวลาผู้ใดมีหนี้มีสินส่วนใหญ่ก็จะเอาลูกเอาหลานไปเป็นค่าทาบนะยอมให้เขาเป็นประกันก่อนทางนี้ก็ไปหาสตังมาแล้วก็จะไถ่ตัวลูกคืนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็โบราณเขามีแบบนั้นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะแบบนั้นนะ นั้นพระเวสสันดรท่านก็เป็นแบบนั้นแต่แต่ถ้าว่าไปนะท่านพูดในตอนนี้ในฐานะว่าท่านช่วยไปหมดแล้วคนที่ช่วยเหลือพระเวสสันดรนะพระเวสสันดรเนี่ยช่วยท่านเหล่านั้นข้ามไปหมดแล้วเป็นพระพุทธเจ้านะช่วยพระนางมัสสีพระนางพิมพาเนี่ยนะตอนหลังก็คือพระนางพิมพาลูกของท่านพระราหุลพระอุบลวันนาเถรีคนอื่นๆท่านช่วยพ้นหมดเลยนะกรณีที่เกี่ยวข้องกับท่านท่านช่วยคนเหล่านั้นพ้นหมดเลย แม้กระทั่งนายพรานเจตบุตรนะนายพรานเจตบุตรที่เฝ้าปาดูแลท่านก็ช่วยนะก็คือพระฉันนะนะก็คือพระฉันนะช่วยไม่ได้ก็ชูโชกในแหละคือช่วยตอนนั้นไม่ได้นะแต่ก็พ่อพองค์ถามว่าพรอองค์ช่วยไหมช่วยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุ ญ, ญาตให้พระเทวทัตบวชนะอุปนิสัยที่จะบรรลุไม่มีแต่ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระเทวทัตบวชแล้วตอนท้ายอ่ะท่านเอากระดูก กระดูกส่วนคอที่เหลืออยู่ทั้งหมดทําพุทธ บ, บูชาเนี่ยนะก็บอกว่าอันนั้นแหละคือการช่วยพระเทวทัตอีกไม่นานพระเทวทัตก็จะบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระ อ, องค์ไม่อนุญาตให้บวชพระเทวทัตก็ไม่มีอุปนิสัยเพราะฉะนั้นพระองค์ช่วยเหลือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นศัตรูขนาดนั้นเนี่ยน ะ, ะก็ช่วยให้พ้นทุกข์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นของเราเนะี่ยอนุโมทนานี่ก็ได้อา น, นิสงส์เยอะแล้วเหมือนนทีนี้ย้อนกลับมาที่ว่า พระนางมัสซีเนี่ยนะที่ที่ตัวเองเนี่ยยอมให้พระเวสสันดรบริจาคทานไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอะไรเนี่ยนะอธิบายว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายขณะนั้นพระนางมัซซีมิได้มีพระพักตรยยวเพราะกลิ้วว่าพระราชาเวสสันดรเนี่ยประทานเราแก่พราหมณบทว่าณนะสันทียตินะโรทติความว่ามิได้ทรงเก้อเขินคือมิได้ทรงการแสงจนน้ําตาเต็มพระเนตรทั้งสองด้วยทรงคิดว่า พระสวามีเนี่ยดูเราทําไมครั้นทรงดุสเนียภาพก็เข้าพระทัยว่าเมื่อให้นางแก้วเช่นเราไม่ให้เพราะไร่เหตุเนี่ยนะก็ขนาดเราดีขนาดนี้ท่านยังให้อนะก็ก็ยอมรับว่าพระเวสสันดรเป็นคนฉลาดอยู่แล้วคนดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้แล้วเราก็ไม่จชว่าเป็นคนเลวคนอะไรที่ท่านให้ได้แบบนี้แสดงว่าต้องมีเหตุที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะก็ก็ยอมรับอนุภาพปัญญาของพระโพธิสัตว์อยู่แล้วก็เลยอธิบายว่า พระนางมสซีนี้ประทับยืนทอดพระเนตรดูพระพักของพระเวสสันดรซึ่งมีผิวพันธ์เหมือนกระดอกบัวบานด้วยเข้าพระไถยว่าพระสวามีของเรานี่แหละทรงทราบสิ่งที่ประเสริฐก็ยอมรับว่าใจของพระเวสสันดร น, นี่รู้สิ่งที่ประเสริฐก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะเพราะว่าท่านก็ร่วมบำเพ็ญบารมีมาร่วมการตั้ง น, นะสี่อสงไขยแสนกับ น, นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้กล่าวว่าเคย เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนนะนะคงมีอยู่แล้วล่ะแต่ก็มากล่าวเฉพาะช่วงที่เป็นเสียสงไข่นี่มาลําดับนั้นพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางมัสสีด้วยคิดว่าพระมัสสีนี้จะเป็นอย่างไรพระนางเจ้าก็ทูลถามว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพพระองค์ทอดพระเนตรดูหน้าหม่อมชั้นทําไมนะนะคล้ายๆกับว่าเอ๊ะให้หม่อมชั้นเป็นทานแล้วมาดูหน้าจ้องหน้าทําอะไรอะ่ะก็เลยบรลลือเสียหนาาว่า ม่อมชั้นผู้ยังเป็นสาวเป็นเทวีของพระองค์ท่านใดพระองค์ท่านนั้นจะเป็นพระพัสดาเป็นใหญ่ของหม่อมชันพระองค์ท่านทรงปรารถนาจะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานแก่บุคคลนั้นหรือจะพึงขายพึงค่าเสียก็ได้คือคือยอมให้ท่านทุกอย่างนะจะให้ท่านขาก็ได้ให้ท่านขายก็ได้เนี่ยนะซึ่งบทว่า ย, ยศรรความว่าหม่อมชันเป็นเทวีสาวของพระพระองค์ท่านใด พระองค์ท่านนั้นแหละเป็นพระภัสดาด้วยเป็นใหญ่ด้วยของหม่อมชันพระองค์ท่านปรารถนาจะพระราชทานแก่ผู้ใดก็พึงพระราชทานแก่ผู้นั้นหรือเมื่อต้องการทซั์ก็พึงขายหม่อมชันหรือเมื่อต้องการเนื้อก็พึงค่าหม่อมชันเพราะฉะนั้นพระองค์จงกระทําสิ่ง ท, ที่ทรงชอบพระทัยเธอหม่อมชันไม่โกรธเนี่ยนะเรียกว่ายอมให้ทุกอย่างเลยว่า ง, งั้นท่านถ้าดูรายละเอียดส่วนนี้ที่ที่นางมีใจเกี่ยวข้องผูกพันก็ดูในจริยาปิฎกแล้วก็ใน ที่เรียกว่าอปทานเนี่ยนะโดยเฉพาะยะโสธราเทรีประทานนี้ก็อธิบายไว้ดีเนี่ยนะที่ที่พระนางนี่มีใจเสียสละด้วยในส่วนนั้นครั้งนั้นท้าวสกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองก็ชมเชยกษัตริย์ทั้งสองนั้นว่าท้าวสกะจอมเทพทราบความดํางดีของสองกษัตริย์ได้ตรัสคํานี้ว่าข้าสึกทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พระองค์ทั้งสองเนี่ยชนะแล้ว เนี่ยนะก็ยอมรับว่าโอ้โหผู้มีชัยจริงๆ น, นะชนะทุกอย่างเลยนะก็ว่าให้ได้ทุกอย่างจริงๆนยนะก็บอกว่าปัตพีนี้บรรลือลั่นเสียงสาธุกการเนี่ยกล้องไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพสายฟ้าก็แวบว่บไปโดยรอบเสียงโกลาห น, นั้นปรากฏดังประหนึ่งเสียงภูเขาเนี่ยถล่มทลายเทพนิกายทั้งสองคือนารทะและปัปพะตะเหล่านั้นก็ย่อมอนุโมทนาแก่สองกษัตรินั้น พระอินทพระพรหมพระประชาบดีพระสมพยมและพระเวสสวรร์มหาราชเทพเจ้าทั้งหมดย่อมอนุโมทนาว่าพระองค์ทรงทากิจที่ทำได้ยากแท้เพราะความที่เหล่าผู้ให้ทานให้ได้ยากเพราะความที่เหล่าผู้ทำบุญกรรมเนี่ยทำได้ยากโอ้ทานเนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆนะจะว่าไปเนี่ยไม่ได้ทำง่ายเลยถ้าทานทาง่ายนะ โลกนี้มันจะไม่เป็นปัญหาแบบนี้หรอกแต่ว่ามันทำยากจริงๆพอทำยากเนี่ยผลของการให้ทานที่ให้ได้ยากหรือไม่ให้ทานเลยอะไรจะเกิดขึ้นก็เคยเห็นความทุกข์ของคนยากทั้งหลายไหมคนยากทั้งหลายเขาจะรู้จากคำเดียวที่เขาได้ยินมากคือคำว่าไม่มีเห็นไหมก็บอกว่าเอางี้นะเหลียวไปหาอะไรก็จะไม่มีสิ่งนั้นหมดเลยนะสมมติว่าเอาหงข้าวหาฟืนเอาฟืนก็ไม่มี อันนะั้นมีฟืนหาหมอ้อหม้อก็ไม่มีมีหม้อก็ขาดน้ําไปหาน้ําอีกอันนะั้มีน้ํามีหมอ้อขาดข้าวสารอีกเนี่ยนะมีข้าวสารได้ข้าหงมาเสร็จไม่มีกับอีกก็ไปหากับถ้ามีกับอีกเอา้าภาชนะจะใส่กินอีกเนี่ยนะเพราะหันไปหาอะไรมันจะไม่มีหมดเลยเนี่ยนะถ้าจะเดินทางนะอา้าวยานพาชนะจะเดินก็ไม่มีมืดจะเปิดไฟให้มันสว่างก็ไม่มีหนาจะหาให้หม่มอุ่นก็ไม่มีเนี่ย จะเดินเท้าก็เดินเท้าเปล่าเนี่ยมันจะไม่มีอะไรไปทุกอย่างเลยนะมันกันดาลไปหมดฝนตกบอกมีร่มไม่มีอ่านะร้อนหาอะไรมาบังหน่อยไม่มีสรุปแล้วคนที่ตะนีมัชยริยผลก็คือมีแต่คําว่าไม่มีเลี้ยวไปหาอะไรมันจะไม่มีทั้งหมดที่คนอื่นเขามีมีกันโดยที่สุดแม้แต่ป่วยอ้าวไม่มียาเขาบอกว่าอ้าวยาก็มีบอกไม่มีสตังเซื้อนะ เมื่อไม่มีหมอมันจะไม่มีไปหมดแลยนะคาว่าไม่มีนี่จะเป็นเรียกว่าเป็นคําที่คนยากจะได้ยินปกตินปกตนะถ้ามีลูกลูกมาขอสตังก็ใช้คําว่าไม่มีเนี่ยตอบตลอดนั้นคําเนี่ยคนจนเนี่ยใช้ได้ทุกงานนะไม่สาธารณะจริงๆนะนะเพราะฉะนั้นคนที่รังเกียจคํานี้ก็บอกทําบุญนะคำว่าไม่มีนี้อย่าได้ยินอีกต่อไป ถามอะไรก็ให้มันมีพ่าน้าคนที่ทําบุญก็ควรตั้งความปรารถนาว่าไอ้คำว่าไม่มีนี่อย่าได้ยินยนะะเอาแบบผ่านรรุธะไอ้ขนมไม่มียังไม่มีเลยก็บอกว่าเอ้าก็บอกว่าเอาแม่ส่งขนมมาให้หน่อยบอกว่าลูกขนมไม่ไ ม, มีบอกเออไอ้เอาขนมไม่มี น, นั่นแหละนนแม่เขาไม่รู้จะทํายังไงก็ล้างถาดเปล่าให้เลย ล้างถาดเปล่าใช้ตาดเปล่านี่ความส่งไปให้มันยังมีขนมจนได้ น, นะมันคาว่าไม่มีท่านไม่รู้จักว่า ง, งั้นอันนี้คนมีบุญนะคือเท้าสักกะคือพระอนุรธานะก็คือเท้าสากกัาานนะาสากกะองค์นี้อั้นเกิดมาท่านยังไม่รู้จักคําว่าไม่มีแต่ว่าก่อนที่ไม่มีนี่คือคือเห็นโทษของคําว่าไม่มีนะเพราะก่อนหน้านี้พูดอะไรมันก็ไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้ก็ไม่มีหนาวพอจะหาอะไรมาอุ่นๆไม่มีร้อนหาอะไรมาทําให้มันเย็น ไม่มียิ้วพอจะอิ่มก็ไม่มีสรุปแล้วไม่มีไปหมดเลยนะขอให้มีปัญหาเกิดขึ้นเถอะเนีย่ยนะไม่เชื่อนะไปถามคนยากดูไปอินเดียสักครั้งไว้นั่งถามเน่นะนะได้อยู่อย่างเดียวคือแบมือเท่านั้นอนะันนี้เขามีแบมือเพื่อจะขอนี้เขามีแต่ยังอื่นนี่เขาไม่มีแต่ถ้าทั่ ว, วไปนะเขาที่อินเดียเขาขอเขามีวิธีขอที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้นะเขาทำยังไงเขาลูบท้องแล้วเาก็แบมือ อันนี้เขารู้ว่าในทองเขามันไม่มีอะไรอยู่นะขอหน่อยเถอะอ น, นะแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าอ้าวถ้าคนไม่ให้ล่ะก็ไปเจริญรอยตามเขาจริงๆแล้ ว, วนะเขาเป็นแบบนั้นเขาก็มาบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยมีอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นผลแห่งการไม่ให้เขาก็เป็นแบบนี้แต่ทีนี้คนที่เขาให้นะให้โดยที่แบบพระเวสสันดรเนี่ยนะมีไหมคาว่าไม่มีสาหรับท่านเไม่มีท่านไม่เคยได้ยินอยู่แล้ว ไอคำว่าไม่มีคำว่าไม่รู้คำว่าอะไรจะไม่มีสําหรับพระโพธิสัตว์เลยจะรู้ทั้งหมดปารพบจะรู้อะไรรู้ทันทีโดยเฉพาะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่ท่านไม่รู้เนีย่ยนะพอนึกปั๊บรู้ทันทีหมดเลยแล้วคล่องแคล่วชํานิ่ชนานาญไปหมดอ่ะนะพูดถึงคนทําเหตุเอาไว้แต่ถ้าไม่ทําเหตุก็เดือดร้อนแน่เพราะฉะนั้นให้ทานเนี่ยการการทําเห ต, เหตุเหล่านี้ตั้งกระเรกนะเหล่าสัตว์นี้ก็ทําได้ยากแม้กับบุญทั่วทั่วไปสัตว์ทั้งหลายก็ทําได้ยาก แล้วก็อย่างบุญพระเวสสันดรเนี่ยนะอะาศัตบรุรษทั้งหลายทําตามไม่ได้อย่าว่าทําตามเลยอนุโมทนายังไม่อนุโมทนาเลยเนี่ยนะก็คนสมัยนี้ไม่น้อยเลยที่ที่ตำหนิพระเวสสันดรทุกวันเนี่ยนะตำหนิว่ามันเกินไปคนอะไรให้ลูกเป็นทานก็ได้ให้เมียเป็นทานก็ได้มันเกินไปนะเกินไปนี่คําตําหนินะแต่ทีนี้จริงๆแล้วท่านเนี่ยทำทานที่ประเสริฐที่คนพานทั้งหลายทําไม่ได้เพราะผู้มีคุณเช่นนี้ก็เห็นว่า แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกวันไม่ล่ะไม่มีให้ตรัสรู้ทุกวันเนี่ยนานๆจึงจะมีมาตรัสรู้สักทีหนึ่งว่าเป็นกลับๆเนี่ยนะสำนวนเขาเรียกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเหมือนดอกมะเดื่อฟังกันถ้าใครเคยเห็นดอกมะเดื่อบ้างมีแต่ตุ่มๆๆนักงอกเลยนะใครเคยเห็นดอกมะเดือนะ่อจะยืมหน่อยจะขอไปประดับนะไม่มีจริงๆดอกมะเดือ่อ <c oughs> เพรา ะ, ะนั้นอสสัตว์บูรุษทั้งหลายเนี่ยทำตามไม่ได้ธรรมะของสัตว์บูรุษอันอสสัตว์บุรุษเนี่ยนำไปได้ยาก เพราะเหตุดังนั้นคติหรือภูมิเป็นที่ไปจากโลกนี้ของสัตว์บุรุษและอาศัตร์บุรุษทั้งหลายต่างกันอาศัาตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกเนี่ยนะคตินะอาศัตร์บุรุษไปสู่นรกสัตว์บุรุษทั้งหลายมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อที่พระองค์เมื่อเสด็จประทับแรมอยู่ในป่าได้พระราชทานกุมารกุ ม, มารีและพระมเหสีนี้นับว่าเป็นพรหมยานอันสำริดแล้วแด่พระองค์เนี่ยนะเขาเรียกว่า ไม่ใช่ยานธรรมดานะระดับพรมยานเลยนะที่ทำไว้ครั้งนี้มาเพราะจะมีต้องเสด็จไปสู่อบายภูมิก็หลังจากนั้นทวีสันดอนไม่ไปสู่อบายภูมิอีกเล ย, ยไม่ไม่ได้ไปอบายอีกเลยนะขอพระกุศลละทานที่พระองค์อำนวยวิบากสมบัติแด่พระองค์ในสวรรค์เถิด ท้าวสก่าพอนุโมธนาแก่พระเวสสันดร อ, อย่างนี้แล้วก็คิดว่าบัดนี้เราไม่ควรจะชักช้าอยู่ในที่นี้ควรจะถวายคืนพระนางมัตสีแก่พระเวสสันดรแล้วก็กลับไปกล่าวว่าข้าพระองค์ขอถวายพนางมัตสีพระมเหสีผู้งามทั่วสารพางคืนแด่พระองค์ผู้เจริญเพราะพระองค์มีพระฉันทะอัธยาศัยเสมอด้วยพระนางมัตสีพระนางมัตสีก็มีฉันทะอัธยาศัยเสมอด้วยพระสวามีทั้งคู่มีใจเหมือนกันเลย น้ำนมและสังมีสีเสมอกันฉันใดพระองค์และพะนางมะสีก็มีใจเจตนาเหมือนกันฉันนั้นพระองค์ทั้งสองเป็นขติยชาติสมบูรณ์ด้วยวงเกิดดีแล้วแต่พระมารดาบิดาถูกเนรเทศเสด็จมาแรมอยู่หน้าอาสมในราวไพยนี้ขอพระองค์เมื่อทรงบำเพ็ญทานต่อๆไปพึงบำเพ็ญกุศลตามสมควรเถิดน่นะให้ทำให้ยิ่งกว่านะ ท้าวสก่าก็เลยมอบพระนามัตสีแก่พระโพธิสัตว์เมื่อจะแจ้งพระองค์ว่าเป็นพระอินเนี่ยนะก็บอกความจริงว่าจริงๆแล้วก็มาเนีมาขอจะเอาไปทําอะไรหรอกเพราะฉนั้นหม่อมชั้นคือท้าวสก่าจอมเทพมาสู่สํานักของพระองค์ฆ่าแต่พระราชฤษีขอพระองค์จงเลือกเอาพรเนี่ยนะแปดประการหม่อมชั้นจะขอถวายพร8ประการแก่พระองค์ท่านเนี่ยนะพอเหาะเป็นท้าวสก่าจะไม่บอกให้พร8ดอย่างเลยนะทีนี้ท้าวสก่าผู้เป็นใหญ่ในสัพพสัตว์เนี่ยนะ ที่สัตท่านขอพอรว่าถ้าพระองค์จะประทานพรแก่หม่อมชันขอพระชนกของหม่อมชันพึงทรงยินดีหม่อมชันเนี่ยกลับจากนี้จากป่านี้สู่นิเวศของหม่อมชันพึงเชื้อเชิญด้วยราชบัลลังก์ข้อแรกนะขอไปเป็นกษัตริย์คืนเนี่ยนะคือคืออย่าลืมว่าใจชาตินี้ของท่านท่านจะให้อย่างเดียวท่านจะไม่คิดเรื่องอื่น เพราะว่าหลังจากนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะให้สัพสัสพพสส์ต์อย่างเดียวนะคือหลังจากนี้ท่านจะให้อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าบารมีอื่นท่านทําเต็มไห้หมดแล้วเนี่ยนะไม่ได้มีพร่องอะไรเลยเหลือแต่ว่าจะให้ให้ให้จนกว่าจะจะไม่รู้เรียว่าให้จนหมดนะนะให้จนเรียกว่าจนสัตว์ไม่มีใครรับแล้วจึงจะเลิกให้อย่างเช่นตอนที่พระองค์จะดับขันปริณิพาน์เมื่อไม่มีคนรับเลยนะพระองค์จึงดับขันปริณิพานคือไม่มีคนรับอะไร ไม่มีคนรับมรกผลที่จะตรัสรู้อีกแล้วเมื่อไม่มีอภพรมเจงดับขันปรินิพานนั้นให้หมดเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เพราะะอันแรกท่านก็เลยขอกลับไปไปบาลังเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้ต่อไปข้อสองบอกม่มชั้นไม่ชอบการฆ่าคนแม้ทำผิดร้ายแรงพึงยังคนผู้มีโทษให้พ้นจากการประหารชีวิตอันนี้เป็นพรข้อที่สองขอให้ช่วยไม่ต้องฆ่าสัตว์ให้ได้เนี่ยนะ ก็ไม่อยากฆ่าสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องฆ่าถึงจะใครจะผิดร้ายแรงขนาดไหนก็มีอำนาจไม่ต้องสั่งฆ่าให้เลิกสั่งฆ่าได้ข้อสบอกว่าคนเหล่าใดเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มเป็นคนกลางคนคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมชัน้นเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะพรข้อนี้แปลว่าขอให้เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็แปลว่าอันนี้คืออัธยาศัยว่าขอเป็นสารณะของ สัพพสัตทั้งหลายเอาไว้นั่นเองเนี่ยนะจะได้ขอเป็นที่พึ่งของสัพพสัตนั่นเองข้อที่4ี่บอกว่าม่อมฉันไม่ถึงภริยาของชนเหล่าอื่นพึงขวนขวายแต่ในภริยาของตนและไม่พึงตกอยู่ในอํานาจแห่งสตรีทั้งหลายอันนี้เป็นพรข้อที่4ว่าอย่ายินดีเมียของผู้อื่นยินดีแต่เมียของตนแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอํานาจของผู้หญิงเนี่ยนะส่วนพรข้อที่หบอกว่า บุตรของหม่อมชั้นที่พลัดพลากจากไปนั้นพึงมีอายุยืนและก็ครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยนะก็ขอให้ลูกมีอายุยาวและก็เป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองโดยชอบธรรมพรข้อที่6บอกว่าเมื่อราตรีสิ้นไปอาทิตย์อุทัยขึ้นมาขอให้พิกษอาหารอันเป็นทิพจงปรากฏมีเช้ามานี่ให้มีอาหารทิพมรอเลยเนี่ยนะ ข้อเจบอกว่าเมื่อมอมฉันบริจาคทานสมบัติไม่พึงหมดสิ้นไปบริจาคแล้วไม่พึงเดือดร้อนใจในภายหลังเมื่อกําลังบริจาคพึงทําจิตให้ผ่องใสอันนี้สําคัญเนาะนะคือคื อ, คอท่านคงจะได้บทเรียนมาจากเสียใจเมื่อให้ใ ห, ให้ลูกเป็นทานเพราะฉะนั้นไอความเป็นแบบนี้ต่อไปอย่าได้มีอีกเพราะฉะนั้นกุศลที่ทําแล้วต้องไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังเนี่ยนะก็แสดงว่าคอนให้ก็สมมนัดกาลังให้ก็สมมนัดให้เสร็จแล้วก็ต้อง รักษากุศลเจตนาอันนั้นต่อไปให้ได้อันนี้นะของมาบอกว่านายพรทั้งหมดเนี่ยชอบข้อเจ็ดมากเพราว่าถือทําเมื่อไหร่ก็โสมนัติเมื่อนั้นนะนะมันจะมากจะน้อยขอให้ได้ทําไปแล้วจะต้องไม่รู้สึกว่าเสียใจในภายหลังเหมือนกันเถอะถือว่าเต็มใจได้ทําไปแล้วว่างอนกันข้อแปดบอกว่าเมื่อมอมฉันพ้นจากอัตภาพนี้เพึงไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตอันวิเศษจุติจากชันดุสิตมาเป็นมนุษย์ก็พึงเป็นผู้ไม่เกิดอีก แปล ว, ว่าจากนี้ไปดูสิทธิ์เนี่ยนะจากอยู่ในดูสิทธิครบตลอดมายุจุติมาเกิดแล้วบรรลุเป็นสัพพันธ์อยู่เลยเนี่ยนะก็พ้นจากการเกิดสักทีบอกว่าจบภาราสักทีเนี่ยนะปรงพาราสักทีหนึ่งว่างั้นทีนี้ท้าวสักกะจอมเทพพอฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าพระราชบิดาบังเกิดกล้าวของพระองค์จากเสด็จมาพบพระองค์โดยไม่นานก็บอกว่าอีกไม่นานก็จะกลับเมืองแล้วว่างั้น พระนั้นก็บอกว่าพระบิดาของพระองค์นี่ประสงค์จะเยี่ยมพระองค์จากเสด็จมาในที่นี้โดยไม่นานนะักก็แหละครั้นเสด็จมาแล้วจากพระราชทานสเสวนาฉัดแด่พระองค์แล้วเชิญเสด็จก ล, กลับกรุงเชตุดรทีเดียวความปรารถนาของพระองค์ทุกอย่างจักถึงที่สุดอย่าร้อนพระไทยไปเลยจงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดเนี่ยนะก็บอกว่าที่จริงแล้วเท้าสักาณ์นะช่วยได้อยู่ข้อเดียวในทั้งหมดแปดข้อนะคือช่วยให้ไปครองบัลลังก์ได้อีกข้อเดียวส่วนข้อที่เหลือมันเป็นของส่วนตัวเนี่ย แต่ว่าให้บ่งทราบถึงอัทยาสาัยของของท่านนะว่าท่านมีอัธยาศาัยอย่างไรคือคำว่าไปขอพรจากผู้อื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาเป็นคนให้แต่หมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยสมควรจะได้รับพรข้อนั้นนั้นทำเหตุคู่ควรกันไหมมันเป็นบุญเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆนั่นเองเดี๋ยวนะเพราะว่าหลายๆเรื่องนะไม่ใช่ว่าคนอื่นเราไปขอแล้วเขาจะให้ได้หมดใช่ไโดยที่สุดแม้พ่อแม่ลูกไปขอไม่ใช่ว่าจะพ่อแม่จะให้ได้หมด ก็ต้องให้ในฐานะสมควรแก่แก่แก่บุตรนั้นนันนั่นเองนี่พร อ, อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในการนี้ก็จบเรียกว่าจบสักการณเนี่ยนะ